วันนี้ก็เป็นวันพระภาษาบาลีท่านเรียกว่าวันธรรมัฒสวนแะแปลว่าวันฟังธรรมสมัยก่อนคนจะศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องไปวัดกันเพราะไม่มีการศึกษาอ่านหนังสือไม่ออก คำสอนของพระพุทธเจ้าในยุคแรกๆก็จดจำกันโดยพระภิกษุที่บวชบวชแล้วก็มาท่องจดจำคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าแล้วก็เอามาถ่ายทอดให้กับศรัทธาญาติโยมศรัทธาญาติโยมก็จะ หยุดทำงานอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพื่อมาวัดสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะรู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้าวันหยุดก็จะเข้าวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะมีศรัทธาความเชื่อ ว่าเป็นคำสอนเป็นความรู้ที่เหนือกว่าความรู้ต่างๆทางโลกของทางโลกเพราะความรู้ทางโลกเป็นความรู้สำหรับการเลี้ยงชีพเป็นการทรมาหากินมีความรู้ทางโลกก็สามารถ ไปทำงานประกอบอาชีพที่สุดเจริญหารายได้เข้ามาจุนเจือให้แก่ร่างกายเป็นการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอาชีพความรู้ทางโลกวิชาแขนงต่างๆเป็นวิชาที่เรียนแล้วก็เอาไปประกอบกิจกรรมกิจการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ ถ้าเรียนอาชีพแพทย์ก็ไปรักษาคนป่วยแพทย์พยาบาลถ้าทำอาชีพเรียนอาชีพการค้าก็เอาไปใช้ในการค้าขายอาชีพประวัติศาสตร์ก็เอาไปเป็นครูปรสอนให้ผู้ที่ ไม่มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ได้เรียนรู้อาชีพ ต, ต่างๆเหล่านี้ความรู้ต่างๆเหล่านี้เป็นความรู้ที่ช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของร่างกายดับความทุกข์ทางร่างกายได้ก็จะได้มีอาหารมารับประทานมียารักษาโรค มีเครื่องนุ่งหม่มมีที่อยู่อาศัยนี่คือความรู้ทางโลกแต่ความรู้ทางโลกนี้ไม่สามารถมาบรรเทาหรือมาดับความทุกข์ทางใจได้ไม่สามารถที่จะทำให้ผู้เรียนรู้วิชาทางโลกนั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆภายในใจได้ ยังต้องมีความวิตกกังวลห่วงใยหวาดกลัววุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆไปกับเรื่องราวต่างๆแต่ความรู้ทางธรรมความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสรุเป็นความรู้ที่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆภายในใจได้หมด ผู้ที่ได้ยินได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้ามีความรู้ที่จะดับความทุกข์ของใจได้ก็เกิดศรัทธาก็เข้าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเริ่มมาเข้าวัดเพื่อมาฟังเทศน์ฟังธรรมเพราะความรู้นี้มี ภิกษุเท่านั้นที่เรียนรู้กันชาวบ้านชาวเมืองเขาก็จะไปเรียนวิชาอื่นกัน อ, อย่างสมัยนี้ก็เหมือนกันสมัยนี้โรงเรียนก็ไม่ได้สอนวิชาธรรมะกันสอนแต่ประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์คณิตศาสตร์สอนภาษาศต่างๆวิทยาศาสตร์ ถ้าต้องการศึกษาความรู้ของพระพุทธเจ้าก็ต้องมาวัดกันสมัยก่อนมาวัดกันแต่สมัยนี้มีการพัฒนาคำสอนของพระพุทธเจ้ามีการบันทึกไว้ในสื่อต่างๆในหนังสื อ, อ, อและเดี๋ยวนี้ก็มีการบันทึกเสียง เป็นแผ่นซีดีเป็นวิดีโอเดี๋ยวนี้ธรรมะก็ได้รับการพัฒนา mm hmm. ไม่ใช่ตัวธรรมะเองแต่ตัวเผยแผ่ธรรมะตัวธรรมะของพระเจ้านี้ไม่ต้องพัฒนาเพราะสมบูรณ์ mm hmm. เต็มที่แล้วไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนา ขึ้นอีกแล้วสวาขาโตพระกวตาธรรมโมเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วครบถ้วนทุกอย่างแล้วถูกต้องผู้ใดได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะได้รับความรู้ครบถ้วนบริบูรณ์ไม่ต้องมีการมาต่อเติมเหมือนสมัยนี้เรียนจบแล้วยังต้องมาเรียนต่อกัน เ่าวิชาทางโลกมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเช่นวิชาแพทย์นี่เป็นหมอจบมาแล้วก็ยังต้องติดตามวิชาของทางแพทย์ที่มีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆวิธีรักษาโรคต่างๆก็มีวิมีเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆ ม, มีวิธีการใหม่ๆสมัยก่อนใช้มีดถ่าตัด เดียนี้ใช้แสงเลเซอร์ฉะนั้นถ้าไม่เรียนไม่ไม่เรียนต่อก็จะลา้าล้าหลังจะไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพสู้ผู้ที่เขามีความรู้ใหม่ๆได้แต่วิชาทางธรรมนี้ถ้าเรียนจบแล้วก็ถือว่าครบแล้ว จบแล้วก็สามารถที่จะสามารถที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุดนี่คือวันวันพระที่มาของวันพระก็คือเป็นที่ชาวบ้านชาวเมืองที่สนใจความรู้ ทางด้านจิตใจต้องเข้าวัดกันเข้าวัดเพื่อที่จะได้เรียนรู้เพื่อที่จะได้นำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์เหมือนกับความรู้ทางโลกเรียนรู้แล้วก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์เอาไปทำมาหากินเรียนแพทย์จบแพทย์ก็ไปเป็นหมอ เอาไปเป็นหมอก็ไปรักษาคนไข้รักษาร่างกายก็ได้ผลตอบแทนได้เงินเป็นผลตอบแทนทางธรรมนี้เรียนแล้วก็ต้องเอามาใช้แต่ไม่ได้ใช้กับผู้อื่นความรู้ทางธรรมนี้ในเบื้องต้นให้เอามาใช้กับตัวเราเอง เพราะตัวเราเองนี่เป็นเหมือนคนไข้และความรู้ทางธรรมก็เป็นเหมือนวิธีรักษาโรคของคนไข้คือโรคใจทางธรรมนี้ไม่ได้รักษาเรื่องร่างกายแต่รักษาเรื่องใจใจก็เหมือนร่างกายใจก็เจ็บไข้ได้ป่วย เหมือนกับร่างกายที่เจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยทางใจไปหาแพทย์ทางร่างกายเขาก็ไม่สามารถที่จะรักษาให้หายได้ต้องไปหาแพทย์ทางใจทางโลกเขาก็มีแพทย์ทางใจเขาเรียกว่าจิตแพทย์แต่เขาไม่สามารถที่จะรักษาโรค ความทุกข์ทางใจให้หายได้เพราะตัวจิตแพทย์เองก็ยังไม่สามารถที่จะรักษาความทุกข์ทางใจของตนให้หายได้เพียงแต่บรรเทาโดยใช้ยาใช้อะไรบางอย่างแต่ยังไม่มีจิตแพทย์คนไหนที่สามารถรักษา จิตใจให้หายจากความทุกข์ต่างๆได้มีจิตแพทย์ทางพระพุทธศาสนานี้ยท่านที่สามารถรักษาโรคของความทุกข์ใจให้หายไปได้อย่างสิ้นเชิงเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เป็นหนูตะเภาตัวแรกพระพุทธเจ้าทรงใช้ใจของพระองค์เป็นที่ทดสอบ ายาที่จะมารักษาโรคภัยไข้เจ็บของใจไม่ได้ไปจับหนูตะเภามาทดสอบเอาตัวของพระ อ, องค์เองนี่เป็นหนูตะเภาตัวของพระ อ, องค์เองเคยมีความทุกข์ความวุ่นวายใจความกังวลความวิตกความห่วงใยความหวาดกลัวทรงหวาดกลัวกับความแก่ความเจ็บความตาย งหวาดกลัวกับการพัดพรากจากกันแต่หลังจากที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าจนได้พบธรรมะที่เป็นยารักษาโรคใจแล้วพระองค์ก็นำมาใช้กับทดสอบกับพระไทยของพระองค์เองจนเห็นผลอย่างชัดเจนว่าภายในพระไทยของพระองค์นี้ไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่แล้วเมื่อก่อนเคยหวาดกลัว กับความแก่กับความเจ็บกับความตายเดี๋ยวนี้ไม่รู้สึกเดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายเฉยๆไม่เดือดร้อนกับการ พ, พราดพลาดจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆใครจะจากไปอะไรจะจากไปไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่อย่างใดไม่กังวลอะไรจะจากไปก็ไม่กังวล อะไรจะมาก็ไม่กังวลพายุจะมาสงครามจะมาเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆที่จะมาไม่กังวลไม่เดือดร้อนใจนี่คือยาของพระพุทธเจ้าที่สามารถรักษาความทุกข์ทางใจให้หมดไปได้อย่างราบคาบไม่มีหลงเหลืออยู่เลยนี่เป็นสาเหตุที่ คนที่มีความปรารถนาที่อยากจะรักษาโรคใจจึงได้เข้าหาพระพุทธศาสนาเข้าหาพระธรรมคำสอนสมัยก่อนก็ต้องเข้าวัดกันเพราะว่าพระธรรมคำสอนไม่ได้เผยแผ่กว้างขวางเหมือนสมัยนี้สมัยนี้ไม่ต้องเข้าวัดก็ได้ เดีย๋ยวนี้มีโทรศัพท์มือถือก็สามารถศึกษาได้คนคว้าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้งนั้นสมัยนี้จะถือว่าเป็นสมัยที่ได้เปรียบกว่าสมัยก่อนก็ได้สมัยก่อนนี้คนที่อยากจะศึกษาพระธรรมคำสอนต้องเข้าวัดเพราะว่าคำสอน ยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นตัวอักษรยังไม่มีหนังสือธรรมะมีแต่พระภิกษุที่ท่องจำคำสอนของพระพระเจ้าแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติรักษาใจของของตนเองเมื่อรักษาหายแล้วก็เอาความรู้ที่ได้จากการ เรียนรู้พระธรรมคำสอนที่ได้รักษาใจของตนเองให้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วก็เอามาสั่งสอนให้แก่ผู้ที่สนใจต่อไปอวันพระจึงเป็นวันที่ผู้ที่สนใจอยากจะรู้จักวิธีรักษาโรคใจให้หาย บำบัดความทุกข์ใจต่างๆให้หายไปก็เลยต้องมาที่วัดกันเขาถึงเรียกว่าวันธรรมสวรรวันธรรมสวรรค์แปลว่าวันฟังธรรมแต่เราคนไทยชอบเรียกสั้นๆเราก็เลยเรียกว่าวันพระแต่ความจริงเขาเรียกว่าวันธรรมสวรรเป็นวันฟังธรรม แล้วก็คนไทยส่วนใหญ่ก็เข้าวัดแต่ไม่ชอบฟังธรรมกันเข้าวัดเพียงแต่ขอใส่บาตรถวายอาหารเส ร, ร็จแล้วให้พระให้พรก็จบข อ, อกลับบ้านพวกที่อยากจะฟังธรรมก็อยู่ต่อรอฟังธรรมหลังจากที่ถวายอาหารเส ร, ร็จแล้ว บางวัดก็ไม่มีการแสดงธรรมถ้ามีก็ช่วงหลังจากชันเสร็จช่วงบ่ายก็มีแต่คนที่สนใจไม่กี่รายคนแก่คนเฒ่าที่อยู่วัดมาอยู่วัดมาถือศีลอุโบสถอยู่วัดกันในช่วงบ่ายก็จะมีการแสดงธรรมให้ฟัง การเข้าวัดที่แท้จริงเป้าหมายที่แท้จริงก็คือเข้ามาศึกษาแล้วก็ปฏิบัติส่วนใหญ่คนจะเข้ามาปฏิบัติการปฏิบัติขั้นเริ่มต้นก็คือการถวายทานทำบุญใส่บาตรแต่เป็นเพียงขั้นเริ่มต้นเป็นขั้นอนุบาล คำสอนของพระพุทธเจ้ามีถึงขั้นระดับปริญญาเอกกันแต่คนไทยส่วนใหญ่เข้าวัดนี้ชอบเรียนขั้นอนุบาลกันเั่นขั้นทำบุญทำทานขั้นมัธยมขั้นปฐมคือขั้นรักษาศีลศีลห้าก็ไม่เอากันขั้นมัธยมรักษาศีลแปก็ไม่เอากัน ขั้นอุดมศึกษาขั้นปริญญาตรีโทเอกก็คือขั้นภาวนานั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วก็ศึกษาธรรมเพื่อเอามาเจริญวิปัสสนาอันนี้เป็นขั้นระดับปริญญาเอกกันก็จะไม่ค่อยสนใจกัน ขอให้ได้ใส่บาตรเสร็จแล้วก็พอส่วนศีลก็ตามมีตามเกิดรักษาบ้างไม่รักษาบ้างแล้วแต่โอกาสถ้าตอนเย็นมีเพื่อนมาชวนไปกินเหล้าก็ก็ไม่รักษาศีลข้อสุราไปถ้าไม่มีก็อาจจะรักษาคือไม่ได้ตั้งใจรักษาเป็น กิจลักษณะรักษาไปตามเหตุการณ์รักษาได้ก็รักษารักษาไม่ได้ก็ไม่รักษาถ้าต้องโกหกก็โกหกถ้าต้องโกงก็โกงอันนี้เรียกว่าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติอย่างจริงจังธรรมะคำสอนพระเจ้าสอนให้เรา ทำทานให้เรารักษาศีลห้าศีลแปดให้เราฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบให้เราฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาอันนี้เป็นขั้นของการศึกษาของการปฏิบัติที่จะนำไปสู่ การดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจถ้าทำขั้นทานก็จะดับได้บ้างเล็กน้อยเหมือนกับความรู้ที่ได้ในระดับอนุบาลก็พอจะท่องกอไก่ขอไถได้นับหนึ่งสองสามได้แต่จะให้รู้อะไรมากไปกว่า น, นี้ก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ถ้าอยากจะรู้มากกว่า น, นี้ก็ต้องขึ้นชั้นปฐม ก็จะมีการหัดอ่านหัดเขียนมีการหัดบวกลบคูณหารเลขเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้อันนี้กระดับประถมถ้าอยากจะรู้มากไปขึ้นไปกว่านั้นก็ขยับขึ้นระดับมัธยมความรู้เหล่านี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นก็จะสามารถที่จะ บำบัดความทุกข์ทางร่างกายได้มากขึ้นได้ง่ายขึ้นคนที่มีความรู้มากก็ไม่ต้องเหนื่อยกับการเลีเ้ยงดูร่างกายคนที่มีความรู้น้อยก็เหนื่อยเพราะไม่มีความรู้ก็เลยต้องใช้แรงงานแรงกายเป็นการบำบัดความขาดแคลนของร่างกาย เป็นคนเรียนจบประถมนี้ก็ทำงานก็ได้แค่ค่าแรงขั้นต่ำไม่รู้จะได้หรือเปล่าอาจจะไม่ได้เลซ้ำไปถ้าไปเป็นคนรับใช้ในบ้านไปเป็นคนสวนไปเป็นคนกวาดบ้านถูบ้านอาจจะไม่ได้เงินเดือนขั้นต่ำพวกเงินเดือนขั้นต่ำนี้ต้องไปทำงานในบริษัทในโรงงาน ถึงจะได้ลงล ง, งานต่ตางๆอนนี้เขาก็ต้องอาวุธสูงอย่างน้อยก็ม6หรือปวชถึงจะสามารถที่จะได้ไรายได้ขนาแรงงานขั้นต่าถ้าอยากจะได้มากกว่าแรงงานขั้นต่ำก็ต้องจบปริญญาปริญญาตรีอันนี้เท่ากับหมื่นสองหมื่นตน้นถ้าอยากจะได้มากกว่านั้นก็ต้องจบ เป็ญญาโทถ้าอยากจะมากกว่านั้นก็ต้องจบประเด็นยาเอกก็จะได้รายได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆความทุกข์ทางร่างกายก็เบาบางลงไปน้อยลงไปเพราะมีรายได้ที่จะมากําจัดความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆของร่างกายสร้างความสุขสร้างความสบายให้แก่ร่างกายเพิ่มมากขึ้นไป นี่คือความรู้ทางโลกชั้นใดความรู้ทางธรรมก็ชั้นนั้นทําบุญทําทานก็จะได้ลดความทุกข์ทางใจให้น้อยลงไปหน่อยถ้ารักษาศีลได้ศีลห้าได้ก็จะเพิ่มลดความทุกข์เพิ่มมากขึ้นให้น้อยลงไปมากขึ้นรักษาศีลแปดได้ก็ยิ่งมากขึ้น นั่งสมาธิทำใจให้สงบได้แล้วก็มีปัญญาคอยกำจัดต้นเหตุของความทุกข์ได้ความทุกข์ก็จะหมดไปนี่คือเรื่องของการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อศึกษาแล้วก็นำออกไปใช้ประกอบ การรักษาโรคใจของตนเองคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกขั้นนี้สอนไว้เพื่อกำจัดเชื้อโรคของใจร่างกายมีเชื้อโรคเช่นเชื้อเอสดเชื้ออะไรอย่างนี้ถ้าติดเชื้อเอสดขึ้นไปถ้าไม่รักษาก็ตายแต่ถ้ามียารักษาทำลายเชื้อเอสดได้ร่างกายก็ไม่ตาย ร่างกายก็อยู่ต่อไปได้สันดายเชื้อโรคของใจที่ทำให้ใจทุกข์วุ่นวายกังวลวิตกว้าวุ่นขุนมัวเศร้าโศกเสียใจนี่ก็คือกิเลสตัณหานี้เองกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงตัณหาคือความอยากต่างๆความอยากสามอยา่างไม่ใช่ความอยากนี่มี ความอยากที่ไม่เป็นเชื้อโรคเป็นยาก็มีความอยากที่ดีก็มีความอยากที่เป็นเชื้อโรคความอยากไม่ดีก็มีที่พระเจ้าแสดงนี้แสดงความอยากที่ไม่ดีมีอยู่สามคือความอยากหาความสุขทางตาหูจมู ก, กลิ้นกายเช่นอยากไปเที่ยวอยากจะกินอยากจะดื่มอะไรต่างๆเพื่อความสุขไม่ได้ ไม่ได้กินเรือดื่มเพื่อร่างกายแต่กินเรือดื่มหรือดูหรือฟังเพื่อใจอันนี้ท่านว่าความอยากเหล่านี้มันเป็นตัวที่จะทำให้ใจทุกข์กันหรือความอยากที่จ ะ, จะเจริญในทางราบยศสรรเสริญเจริญในทางชีวิต อยากให้ร่างกายนี้แข็งแรงอยู่ไปนานๆไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายอยากให้เจริญในเงินทองเข้าของต่างๆอยากให้มีเงินมากขึ้นมีตำแหน่งสูงขึ้นมีหน้ามีตามีเกียรติยศความอยากเหล่านี้จะทำให้ใจทุกข์กังวลและความอยากข้อที่สามก็คือ ความอยากไม่ให้ของที่เรามีอยู่แล้วเสื่อมไปไม่อยากให้เงินทองที่เรามีอยู่เสื่อมไปไม่อยากให้ตาแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์เกียรติยศสิ่งของต่างๆบุคคลต่างๆร่างกายของเราไม่อยากให้มันเสื่อมไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายกันความอยากเหล่านี้แหละสามตัวนี้ที่เป็นเหตุที่ทําให้ ใจของเราวิตกกังวลกันทุกกันเช่นเราก็กังวลว่าเงินจะหมดนี้กังวลว่าตาแหน่งที่เรามอยู่นี้จะถูกเขาเอาไปปลดเราออกจากตำแหน่งโยกย้ายที่เป็นหัวหน้าตรงนี้ก็โยกย้ายไปเป็นลูกน้องตรงนู้นอันนี้ก็จะทำให้เกิดความ วิตกกังวลขึ้นมาหรือความห่วงเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายก็ไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยโดยเฉพาะไม่อยากให้เป็นโรคที่รักษาไม่หายถ้าเป็นโรค ก, ก็ขอให้เป็นโรคที่ยังรักษาได้อยู่แต่ไม่อยากจะเจอโรคที่หมอบอกว่ารักษาไม่ได้แล้วให้ไปจองสาราวัดได้แล้ว พอได้ได้ยินอย่างนั้นใจก็ทุกข์มากกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่มีกระจิกกระใจที่จะทำอะไรอันนี้เกิดจากความอยากของเราเองอยากไม่สิ่งต่างๆเช่นร่างกายของเราเสื่อมแต่เราไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราได้มานี้มันต้องเสื่อมไปหมดทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือสิ่งอย่างอื่นได้มาแล้วก็ต้องมีการเสื่อมไปหรือถ้าไม่เสื่อมเวลาร่างกายเสื่อมเวลาร่างกายตายไปทุกสิ่งทุกอย่างก็ก็ถือว่าหมดไปเหมือนกันหมดไปพร้อมกับร่างกายเพราะว่าเราใช้ร่างกายดูแลรักษาสิ่งต่างๆใช้สิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ เราจึงรักเราจึงหวงร่างกายเรามากมากกว่าสิ่งต่างๆสิ่งอื่นๆนี่ถึงแม้ว่าจะหายไปหมดไปถ้ายังมีร่างกายอยู่ก็ยังพอหาใหม่ได้เช่นสมบัติเข้าของเงินทองสามีภรรยาเกิดเขาหมดไปจากเราไปแต่ถ้ายังมีร่างกายอยู่เราก็ยังหาใหม่ได้ สามีตายไปภรรยาตา ย, ตายไปก็ยังหาใหม่ได้ลูกตายไปก็ยังหาใหม่ได้สมบัติข้าวของเงินทองหมดไปก็ยังหาใหม่ได้แต่ถ้าร่างกายนี้ไปนี่มันหาไม่ได้จึงไม่มีใครอยากตายกันเพราะตายนี่มันเสียหมดเลยทุกอย่างเลยมีเงินร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านก็หมดเลยเอาไป ไม่ได้เลยแล้วก็ไม่รู้โดยซ้ำไปว่าไปแล้วไม่ไปตายแล้วก็คิดว่าจบตายตายแล้วก็เห็นว่าร่างกายก็กลายเป็นขี้เท่าไปเพราะร่างกายคนตายเขาก็ไม่เก็บเอาไว้นอกจากเป็นคนมีชื่อเสียงโด่งดังเขาก็อาจจ ะ, ะทาเป็นมัมมี่เก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกส่วนใหญ่เขาก็าไปฝังเรื อ, อไปเผา ร่างกายก็พอตายแล้วมันก็กลายเป็นดินไปกลายเป็นขี้เท่าขี้ฐานไปก็ส่วนใหญ่ก็คิดว่าตายแล้วก็จบชีวิตของเราก็มีแค่นี้จบที่ความตายก็เลยกลัวความตายมากไม่อยากตายยิ่งไม่อยากตายยิ่งทุกข์ใหญ่ไม่มีใครรู้ว่าเหตุที่ทำให้เราทุก ก็คือความไม่อยากตายนี่เองความอยากอยู่ความไม่อยากตายทำให้เราทุกขกับความตายของร่างกายมีพระพุทธเจ้าที่มาพบค้นคว้าพบว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากอยู่กับความไม่อยากตายนี่เองถ้าเราตัดความอยากอยู่ตัดความไม่อยากตายได้นี่เราจะไม่ทุกขกับความตายของร่างกาย ถ้าเราจะอยู่อย่างสบายไม่วิตกไม่กังวล <c oughs> เราพร้อมที่จะให้มันตายมันจะตายเมื่อไหร่ก็ให้มันตายไปเราก็จะอยู่อย่างสบายแต่ตอนนี้เราอยู่อย่างทุกข์กันเพราะเราอยู่แบบไม่อยากให้ร่างกายตายเพียงแต่คิดถึงความตายนะยังไม่ได้เป็นอะไรเลยก็ยังไม่สบายใจ บางคนบางบ้านนี้ห้ามพูดคำว่าตายโดยเด็ดขาดยิ่งห้ามยิ่งโง่ใหญ่เพราะทำให้เราลืมความจริงของร่างกายว่าร่างกายนี้ต้องตายแต่ถ้าเราคิดอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้ต้องตายมันก็จะทำให้เราปรับความเข้าใจปรับใจของเราให้รับกับความจริงได้แ้ะเราคิดบ่อยๆ เมื่อเรารู้ว่าเราต้องตายแล้วเราเห็นว่าถ้าเราไม่อยากตายเราทุกข์แต่ถ้าเรายอมตายเราไม่ทุกข์ก็ยอมตายดีกว่าแต่การยอมตายก็ไม่ได้หมายความว่าข้าตัวตายถ้ายังไม่ถึงเวลาตายก็ปล่อยมันอยู่ไปแต่เมื่อถึงเวลาตายก็ปล่อยมันตายไปเท่านั้นเองใจก็จะไม่ทุกข์ อันนี้ไม่มีใครรู้มีพระพุทธเจ้าเป็นคนแรกคนเดียวที่รู้ความจริงอันนี้รู้ว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยากได้แล้วก็ไม่อยากเสียมีแต่อยากได้แต่ไม่อยากเสียกันแต่ไม่รู้ว่าของที่ได้มานั้นจะต้องเสียกันคิดว่าของที่ได้มาแล้วจะไม่มีวันหมดไม่มีวันเสือ่อมแต่ของทุกอย่าง ที่ได้มานี่จะต้องมีวันหมดมีวันเสียมีวันเสื่อมถ้ารู้ว่าทุกอย่างต้องเสียต้องเสื่อมก็อย่าไปอยากได้สิอย่าไปอยากมีถ้าไม่มีก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งที่จะต้องเสื่อมจากเราไปได้อะไรมาก็ต้องมาทุกข์กับสิ่งที่เราได้มาเพราะกลัวมันจะเสื่อมกลัวมันจะจากเราไปถ้าไม่มี ก็ไม่มีอะไรต้องกลัวเช่นถ้าไม่มีแฟนก็ไม่ต้องกลัวว่าแฟนจะจากเราไปแฟนจะอยู่แฟนจะไปเราไม่มีแฟนเราก็ไม่เดือดร้อนถ้าไม่มีเงินก็ไม่เดือดร้อนกับเรื่องเงินอยู่แบบไม่มีเงินสบายกว่าอยู่แบบมีเงินสมัยนี้จะอยู่แบบไม่มีเงินได้ก็ต้องอยู่แบบพระอยู่แบบชีนั่นเอง นี่เขาพวกที่เขาบวชกันเขาไม่ต้องใช้เงินกันเขาก็อยู่ได้แล้วเขาสบายกว่าคนมีเงินน้อยล้านพันล้านสกเพราะเขาไม่ต้องมากังวลกับเงินทองว่าจะหมดหรือไม่หมดจะมีน้อยลงไปหรือจะมีมากขึ้นไม่ไม่สนใจวันหนึ่งขอให้มีข้าวกินวันละมื้อก็พอแล้วเขาก็ปล่อยร่างกาย เขาก็ไม่กังวลกับร่างกายอย่างมากก็ตายถ้าไม่มีกินอย่างมากก็ตายอันนี้ถ้าจะอยู่แบบไม่มีเงินนี่ต้องอยู่แบบไม่กลัวตายอยู่แบบยอมตายถ้าอยู่แบบพ้อมตายแล้วอยู่แบบไม่มีเงินได้อยู่แบบไม่มีแฟนได้อยู่แบบไม่มีอะไรก็ได้เพราะยอมตายถ้ามีก็อยู่ต่อไปถ้าไม่มีก็ตายตายก็ยอม เพราะว่ามีหรือไม่มีก็ต้องตายอยู่ดีใช่ไหมเราไปกังวลกับมันทําไมไปทุกข์กับเรื่องราวต่างๆทําไมไปทุกข์เพราะว่าอยากจะมีพอมีแล้วก็ไม่อยากจะให้มันไม่จากเอาไปไม่อยากให้มันจากเอาไปไนี่คือความความทุกข์ของพวกเรา ไปหลวงคิดว่าการมีแล้วจะมีความสุขแต่การมีอะไรนั่นแหละเป็นการมีความทุกข์เป็นการสร้างความทุกข์ขึ้นมาเพราะมีอะไรก็ต้องทุกข์กับสิ่งที่มีเพราะไม่อยากให้เขาจากเราไปแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีนี่จะต้องจากเราไปอยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่ามีดีกว่าไม่มีก็อยู่ได้ตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่มีร่างกาย เหมือนพวกเราไม่มีเงินทองเหมือนพวกเราไม่มีแฟนเหมือนพวกเราไม่มีสมบัติเข้าวของเงินทองต่า ง, างๆเหมือนพวกเรา <uge> พระพุทธเจ้าก็ยังอยู่ตอนนี้เพราะตัวของพระพุทธเจ้านี้ไม่ตายไปกับร่างกายของพระพุทธเจ้าร่างกายของพระพุทธเจ้านี้ไม่ใช่ตัวของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตัวจริงก็เรยียกว่าตัวแทนเป็นผู้รับใช้ตัวจริง ตัวจริงนี้ไม่มีรูปมีร่างมีแต่ความรู้สึกนึกคิดที่เราเรียกว่าใจใจนี้คือตัวรู้สึกนึกคิดพระพุทธเจ้าอยู่ในใจนี้เวลาที่ท่านคิดอะไรอยากจะสื่อความหมายความรู้ให้กับเราท่านก็ใช้ร่างกายเป็นตัวแทนแต่ตัวของท่านอยู่ที่ความคิด ท่านคิดว่าถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่ามีความอยากนะอย่ามีอะไรแล้วท่านก็ใช้ร่างกายนี้เป็นตัวตัวแทนมาบอกพวกเราเพราะว่าถ้าไม่มีร่างกายท่านก็ไม่สามารถที่จะติดต่อกับพวกเราได้พวกเราเป็นเหมือนพวกที่มีโทรศัพท์มือถือกันถ้าอยากจะติดต่อกับพวกเรานี้ต้องมีมือถือถึงจะติดต่อกันได้ ถ้าไม่มีมือถือก็ไม่สามารถที่จะติดต่อกันได้ร่างกายนี้เป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งของพวกเราพวกเรานี้ไม่ใช่ร่างกายเข้า <c oughs> ใจไหร่างกายนี้เป็นโทรศัพท์มือถือของพวกเราตัวเราคือตัวรู้ตัวคิดเนี่ยตัวนี้ไม่ใช่ตัวร่างกายคนละตัวกันตัวนี้เป็นตัวสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆ พูดอะไรทำอะไรนี่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเหมือนกับเราใช้มือถือเราอยากจะติดต่อกับคนที่มีมือถือเราก็ใช้มือถือติดต่อกันเราก็ติดต่อกันได้สื่อสารกันได้ทันใดร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนมือถือของพวกเราตัวเราก็คือตัวรู้ตัวคิดนี่นี่คือตัวเราเราออกมาจากตัวรู้ตัวคิด ตัว ร, รู้ตัวคิดนี้ไม่ตายไปกับร่างกายเหมือนกับคนที่ใช้มือถือไม่ได้ตายไปกับเวลามือถือมันเสียเวลามือถือเสียก็ไปซื้อเครื่องใหม่มาใช้ต่อ อ, อันนี้ก็เหมือนกันพอร่างกายตายไปตัวรู้ตัวคิดนี้ก็ไปซื้อร่างกายอันใหม่ไปหาท้องของใครที่กำลังตั้งท้องอยู่เอใครตั้งท้องก็ไป จองไว้เลยพอเก้าเดือนก็ได้ร่างกายได้มือถือเครื่องใหม่ออกมาแล้ว อ, ออกมาก็ต้องหัดใช้มือถือก่อนว่ามือถือแต่ละเครื่องก็ต้องหัดใช้เราซื้อมือถือเครื่องใหม่นี้เราก็ต้องหัดใช้ฉันได้พอเราได้ร่างกายมาเราก็ต้องหัดแล้วหัดกินหัดหายใจหัดเดืม่มหัดขับทาย หัดอาบน้าอาบท่าหัดเดินหัดนั่งหัดทำอะไรต่างๆหัดพูดหัดภาษาอะไรอันนี้เวลาได้ร่างกายใหม่ก็ต้องมาหัดกันกว่าจะเอามาใช้ได้อย่างเต็มที่ก็ยี่สิปีไปแล้วนู่นต้องบรรลุนิติภาวะแล้วแสดงว่าใช้ใช้ร่างกายนี้ได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์อย่างปลอดภัย คนที่ต่ำกว่าบรรลุนิติภาวะนี่เขาถือว่ายังไม่ปลอดภัยยังต้องอยู่กับคนที่รู้จากวิธีใช้ร่างกายนี้ก่อนคือพ่อแม่ก่อนต้องให้พ่อแม่สอนวิธีใช้ร่างกายนี้อย่างถูกต้องเพื่อจะได้ไม่ไปเกิดปัญหาต่างๆตามมานี่คือเรื่องของ ตัวเราตัวพระพุทธเจ้าที่แท้จริงไม่ใช่ร่างกาย <c oughs> ร่างกายเป็นเพียงผู้รับใช้ตัวเราเราสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆวันนี้เราสั่งให้มันมาที่นี่ <c oughs> ถ้าไม่สั่งก็ไม่ได้มา <c oughs> ถ้าสั่งให้ไปที่อื่นมันก็จะไปที่อื่นแทนแต่วันนี้เห็นว่าเป็นวันพระที่วัดมีการแสดงธรรม อยากจะฟังธรรมก็เลยสั่งให้ร่างกายพามาที่นี่เพื่อที่จะได้มาฟังธรรมเพื่อจะได้มาเรียนรู้วิธีแก้ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดไปใจของเรานี้ไม่ตายไปกับร่างกายแต่ใจเราไปทุกแทนร่างกายทั้งๆที่ร่างกายเขาไม่ทุกข์เลยเวลาเขาตาย เพราะงกายก็เป็นเหมือนมือถือดีๆนี่เองเวลามันพังมันก็ไม่รู้สึกว่ามันมันไม่รู้ว่ามันพังเวลามันดีมันก็ไม่รู้ว่ามันดีคนที่ใช้น่ะรู้ว่ามันดีหรือไม่ดีแล้วก็ไปทุกข์กับมันเวลาใช้ได้ก็ดีใจเวลาเสียก็ทุกข์กับมันเวลาหายก็ทุกข์กับมันเพราะไม่อยากให้มันหาย ใจของเราก็เหมือนกันใจของเราไม่รู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่ควรที่จะต้องไปทุกข์กับมันว่าอยังไงยังไงมันก็ต้องหายอยู่ดีสักวันหนึ่งมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปแต่เราไม่รู้เราไม่รู้จักแยกจะตัวเราออกจากร่างกายเราไปผูกติดกับมันไว้เหมือนปลาท่องโกไปด้วยกัน คิดว่าร่างกายเป็นอะไรใจก็เป็นเราก็เป็นไปกับมันเพราะเราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายเนี่ยตัวคิดเนี่ยคิดผิดก็เรียกว่าหลงหลงผิดเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงมาสอนให้พวกเราเปลี่ยนความคิดใหม่อย่าไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราให้คิดว่าเราเป็นคนใช้ร่างกายนี้เหมือนกับเราใช้โทรศัพท์มือถือ มือถือนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราก็ของเราชั่วคราวสักวันหนึ่งก็จะต้องพังไปหมดไปให้มองร่างกายนี้เหมือนกับโทรศัพท์มือถือใช้มันไปให้เกิดประโยชน์แต่อย่าไปยึดไปติดอย่าไปหลงไปคิดว่าเราเป็นมันปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายไป วิธีที่จะปล่อยก็ต้องมาทำใจให้สงบถึงจะปล่อยได้ต้องหัดนั่งสมาธิกันเพราะเวลานั่งสมาธิก็เป็นเวลาที่เราไม่ได้ใช้ร่างกายเวลาเรานั่งเฉยๆเราไม่ได้ใช้ร่างกายไม่ได้พูดไม่ได้ทำอะไรแสดงว่าเราปล่อยร่างกายเราดึงใจออกจากร่างกายด้วยการนั่งสมาธิ ถ้าเราทำใจให้สงบเต็มที่เราก็จะปล่อยร่างกายได้อย่างเต็มที่แล้วเราก็จะได้พบกับตัวเราที่แท้จริงเวลาที่จิตสงบเต็มที่นี้ใจจะถอนออกจากร่างกายหมดจะไม่รับรู้เรื่องของร่างกายไม่รับรู้เรื่องรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเหมือนกับคนหูหนวดตาบอดเหมือนกับคนไม่มีร่างกายเวลาจิตสงบนี้เหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียว ตัวคิดก็หายไปตัวคิดก็หยุดคิดเหลือแต่ตัวรู้แล้วเราก็จะรู้ว่านี่คือตัวเราแล้วเราก็จะรู้ว่าเวลาที่ไม่มีร่างกายก็ยังมีตัวรู้นี่อยู่ตัวรู้นี่แหละที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่ตอนนี้ตัวรู้ยังไม่ได้เป็นอิสระตัวรู้ยังมีเจ้ากรรมนายเวรมาฉุดกให้ไปรับผลบุญผลบา พอาะยังไม่ได้ดับเครื่องเครื่องยนต์ที่จะขับให้ใจนี้ไปรับผลบุญผลบาปตัวที่เป็นเครื่องยนต์ที่จะขับตัวรู้นี้ให้ไปรับผลบุญผลบาป ก, ก็คือความอยากต่างๆนี่เองเวลาเรามีความอยากเราอยู่เฉยๆได้ไหมตัวรู้อยู่เฉยๆได้ไหมพออยากกินกาแฟนี่ต้องไปหากาแฟมาละ อยากดื่มเบียร์ก็ต้องไปหาเบียร์มาดื่มนะอยากมีแฟนก็ต้องไปหาแฟนนะอยู่เฉยๆไม่ได้คือนี่คือความอยากตัวที่เป็นเครื่องเครื่องจักเครื่องยนต์ที่จะฉุดลากตัวรู้นี่ให้ไปหาสิ่งต่างๆถ้าอยากได้สิ่งที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องมีตาหูจมูกรื่นกาย ก็เลยต้องไปหาร่างกายกันพอร่างกายอันนี้พังไปก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่เหมือนกับโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้พังไปถ้ายังต้องใช้มือถืออยู่ก็ต้องไปซื้อเครื่องใหม่ถ้าไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้มือถือแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อมันซื้อมาทำไมเมื่อไม่ใช้มันแล้วแต่ถ้ายังใช้มันอยู่ก็ต้องซื้อมันมาทดแทนเครื่องเก่าที่เสื่อมไป ร่างกายนี้ก็เหมือนกันเป็นเครื่องมือทำตามความอยากของของตัวรู้นี้ตัวรู้นี้ยังอยากดื่มกาแฟก็ต้องมีร่างกายยังอยากจะไปเที่ยวตามที่ต่างๆก็ต้องมีร่างกายอยากจะดูหนังฟังเพลงอยากจะนอนกับแฟนก็ต้องมีร่างกายถึงจะทำได้ตัวนี้แหละเป็นตัวที่หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว ไอตัวความอยากตัวนี้มันยังมีอยู่ในใจมันก็จะดึงใจคือตัวรู้นี้ให้ไปมีร่างกายอันใหม่และก่อนที่จะไปมีร่างกายอันใหม่ก็อาจจะต้องไปรับผลบุญผลบาปที่ทำไว้ก่อนถ้าเป็นบาปดึงไปก็ต้องไปเป็นเปรตบ้างเป็นเป็นผีบ้างไปตกนรก หรือไปเกิดเป็นสัตว์ในราชาถ้าเป็นบุญดึงไปก็จะไปสวรรค์ไปเป็นเทพไปเป็นพรหมก่อนที่จะกลับมาได้ร่างกายของมนุษย์มาเกิดใหม่แล้วพอมาเกิดใหม่ก็มาทำตามความอยากใหม่เวลาทำตามความอยากก็หนังทีก็ทำถูกบ้างผิดบ้างคือทา ถูกศีลธรรมหรือผิดศีลธรรมถ้าอยากมากๆเราหาโดยวิธีถูกศีลธรรมไม่ได้ก็เอามันผิดศีลธรรมถ้าต้องโกงก็โกงถ้าต้องขโมยก็ขโมยถ้าต้องโกหกก็โกหกเพื่อให้ได้สิ่งที่อยากได้หรือได้ทำในสิ่งที่อยากจะทำก็จะสะสมบาปไว้ในใจเวลาตายไปบาปนี้ก็จะดึงให้ไป เกิดเป็นผีเป็นเปรตไปตกนรกไปเป็นเดรัจฉานแต่ถ้ามีคนสอนว่าอย่าทำบาปอยากจะได้อะไรก็ทำโดยวิธีที่ไม่ต้องทำบาปถ้าไม่ทำบาปแล้วก็สอนว่าถ้าอยากจะมีความสุขตายไปแล้วอยากจะไปสวรรค์ก็ให้ทำบุญไม่ให้ทำบาปแล้วให้ทำบุญ พอตายไปก็ได้ไปเป็นเทพไปเป็นอะไรต่างๆ แ, แต่ถ้าไม่อยากจะไปไหนอยากจะตายตายแล้วอยากจะหยุดไม่อยากจะไปเกิดไม่อยากจะไปรับผลบุญผลบาป ก, ก็ต้องตัดความอยากให้หมดไปจากใจต้องถอดเครื่องยนต์ออกจากใจตัวที่ขับเคลื่อนใจให้ไปเกิดนี่ก็คือตัวกามะตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาหรือความโลภความโกรธความหลงนี่ เป็นชื่อต่างกันแต่เป็นตัวเดียวกันกิเลสตัณหานี่เป็นตัวเดียวกันเหมือนนางสาวกับนางนี่เป็นคนเดียวกันเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนบางทีก็เรียกนางถ้ามีผัวก็เรียกนางถ้าไม่มีก็เรียกว่านางสาวกิเลสตัณหาก็ตัวเดียวกันความโลภกับความอยากก็ตัวเดียวกันความโลภก็อยากได้สิ enfin anyway. <w> ่งนั้นสิ่งนี้ตัณหาก็อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพียงแต่ว่าตัณหานี้ไม่ได้แสดง ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีความโกรธตามมาไม่ได้แสดงเวลาโลภแล้วอยากได้อะไรไม่ได้ดังใจอยากก็จะโกรธที่โลภ ก, ก็เพราะหลงหลงคิดว่าได้แล้วจะมีความสุขแต่ความจริงได้มาแล้วกลับมีความทุกข์คนที่ไม่หลงเขาก็เลยไม่โลภไม่อยากได้เพระพุทธเจ้าไม่หลงพระพุทธเจ้ารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุข ยังไม่อยากได้อะไระก็เลยไม่มีเครื่องยนต์เครื่องจักรที่จะดึงใจให้ไปเวียนว่ายตายเกิดได้พระพุทธเจ้าพอร่างไม่มีร่างกายแล้วท่านก็อยู่กับที่ที่ตำงที่ท่านอยู่นั้นเรียกว่นนานิพานที่ที่ไม่ไปเกิดอีกแล้วเหมือนเป็นที่จอดรถอย่างเงี้ยที่จอดรถนี่เวลาจอดรถรถมันไม่วิ่งไปไหนแล้วใช่ไหมถ้ายังอยู่บนท้องถนนนี่มันก็ต้องวิ่งไปวิ่งมา พวกเราจิตใจของวเรายังอยู่บนท้องถนนกันอยู่ยังวิ่งวนวรอบวงเวียนอนุสาวรีย์อยู่นั่นน่ะวนกันอยู่นั่นน่ะไม่รู้กี่รอบแล้วไม่เหนื่อยบ้างเหรขับวนอยู่นั่นน่ะพระพุทธเจ้าท่านฉลาดท่านบอกพอแล้วเบื่อแล้วหาที่จอดดีกว่าก็เลยไปจอดที่นิพพานที่จอดข อ, ของคนที่ไม่มีความอยากของเครื่องของรถที่ไม่มีเครื่องยนต์เรถไม่มีเครื่องยนต์มันก็วิ่งไม่ได้ใช่ไหม มันก็จอดที่จอดรถเนี่ยใจที่ไม่มีความอยากก็จอดอยู่ที่นิพพานไม่ได้หายไปไหนอย่าไปคิดว่าพระพุทธเจ้าหายไปไหนเพราะใจของพระพุทธเจ้าหรือใจของพวกเราไม่มีวันหายนะมีแต่ว่าจะหยุดหรือไม่หยุดเท่านั้นเองใจของพระพุทธเจ้าหยุดแล้วมือนกับที่ท่านบอกองคุลิมาว่าเราหยุดแล้วเธอต่างหากที่ยังไม่หยุด อ, องค์คุลิมาฟังก็เข้าใจก็เลยหยุดตามพระพุทธเจ้าหยุดจากความโลภ ค, ความโกรธความหลงหยุดหยุดความอยากต่างๆ อ, าองค์คุลิมาฯก็เลยได้ไปที่นิพพานไปได้ที่จอดรถที่เดียวกับพระพุทธเจ้าใจที่ไม่มีความโลภ ค, ความโกรธ ค, ความหลงไม่มีความอยากก็เปิดเหมือนรถที่มีที่จอดรถที่ยังไม่มีที่จอดก็ต้องขับไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆ รถคันเก่าพังไปก็เปลี่ยนคันใหม่หาใหม่ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่มีความทุกข์ใจไม่มีความทุกข์กับสิ่งต่างๆเพราะมันจะอยู่มันจะไปก็ไม่เดือดร้อนไม่ได้มียความอยากให้มันอยู่ไม่มีความอยากให้มันไปถ้ามีความอยากให้มันไปก็เดือดร้อนเอง อยู่กับคนที่ไม่ชอบขี้หน้าอยางนี้กอ็อยากจะให้เขาไปพอเขาไม่ไปก็ทุกข์อีกอยู่กับคนที่ชอบก็ไม่อยากให้เขาไปพอเขาไปก็ทุกข์อีกนั่นต้องอยู่แบบไม่มีความอยากแล้วจะไม่ทุกข์กับอะไรใครจะอยู่ก็ได้ใครจะไปก็ได้ร่างกายจะอยู่ก็ได้ร่างกายจะไปก็ได้นี่คือวิธีรักษาโรคใจคือความทุกข์ใจต่างๆ ต้องรักษาด้วยการทำตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนที่ให้ทำทานให้รักษาศีลให้นั่งสมาธิให้เจริญปัญญานี่ก็เป็นวิธีหยุดความอยากทั้งนั้นเองเช่ <stories S 1> <c oughs> นให้เอาเงินที่เราจะไปซื้อของตามความอยากนี้เอาไปทำทบุญทาทานแทนวันนี้จะไปเที่ยวเอาเงินไปเที่ยวนี้มาทำบุญแทนแล้วความอยากเที่ยวมันก็จะน้อยลงไป ต่อไปก็ไม่อยากเที่ยวเมื่อไม่อยากเที่ยวก็สบายเวลาไม่มีเงินจะเที่ยวก็ไม่ทุกข์ถ้าอยากเที่ยวแล้วเที่ยวมันก็จะติดแล้วอยากจะเที่ยวอยู่เรื่อยๆเวลาไม่มีเงินเที่ยวก็จะทุกข์หรือเวลามีเงินเที่ยวแต่ร่างกายไม่สบายไปเที่ยวไม่ได้ก็จะทุกข์อีกฉะนั้นท่านบอกให้เอาเงินที่จะไปใช้ตามความอยากต่างๆนี้เอาไปทาบุญให้หมดอย่าเก็บเอาไว้ล้วต่อไปจะไม่มีความอยากเที่ยว ไม่อยากซื้ออะไรไม่อยากทำอะไรตามความอยากอยู่เฉยๆได้ไม่เดือดร้อนถ้าใช้เงินตามความอยากแล้วใช้เท่าไหร่ก็ไม่พอหมดก็ต้องหามาอยู่เรื่อยๆแล้วหาก็ไปเสี่ยงกับการทำบาปอีอเนี่งั้นเอามาทำบุญดีกว่าได้บุญไม่ต้องทำบาปรักษาศียก็เหมือนกันเวลาอยากจะขมโมยก็อย่าไป ก็ใช้ละใช้ศีลรักษาก็ไม่ได้ไปขโมยก็หยุดความอยากขโมยได้เวลาอยากจะโกหกมีศีลก็โกหกไม่ได้ก็ต่อไปก็จะไม่มีความอยากจะโกหกไม่มีความอยากจะขโมยก่อนที่มีศีลเขาก็ตัดความอยากตัดความทุกข์ต่างๆให้น้อยลงไปตามลำดับคนที่นั่งสมาธิได้ทำใจให้สงบได้ความอยากก็หยุดชั่วคราว แต่พอออกจากสมาธิมาพอมาคิดมาเห็นอะไรก็เกิดความอยากขึ้นมาถ้าจะหยุดก็ต้องใช้ปัญญาบอกว่าอย่าอยากอยากแล้วทุกได้มาแล้วทุกได้แฟนมาแล้วทุกเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเดี๋ยวก็จากกันอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่าอยู่กับไม่มีความอยากดีกว่าไม่มีร่างกายดีกว่า มีร่างกายแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยันนี้ต้องใช้ปัญญาถึงจะหยุดความอยากได้อย่างเต็มที่อย่างถาวรการทำทางก็หยุดบ้านมันแต่ถ้าวันไหนเกิดแรงน้อยอยากจะไปซื้อกระเป๋าใบใหม่ก็อาจจะสู้ไม่ไหวก็อาจจะไปซื้ออยู่ดีแต่ถ้ามีปัญญาแล้วไม่ซื้อซื้อมาทำไมซื้อมาแล้วได้อะไร ขึ้นมาแล้วก็มีแต่ความกังวลจะต้องคอยดูแลรักษามันเืยไม่ที่ไหนเกิดปัญหาก็เสียใจอีกนี่คือวิธีแก้ความทุกข์ความอยากสามตัวนี้ให้หมดไปความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากได้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แล้วก็ความอยากไม่เสียสิ่งต่างๆที่ได้มาไปแม้แต่ร่างกายนี้ ก็เช่นเดียวกันอยากได้ร่างกายแต่ไม่อยากเสียร่างกายก็เลยทุกข์กันต้องไม่อยากต้องอยากมีความอยากเหล่านี้ถ้าไม่มีความอยากเหล่านี้ก็ไม่มีอะไรอยู่แบบไม่มีอะไรพระที่เขามาบวชนี้เขาก็อยู่แบบไม่มีอะไรร่างกายนี้เขาก็ไม่ยึดไม่ติดจะตายเมื่อไหร่เขาก็ยินดีให้มันตายถ้ายังไม่ตายก็ดูแลมันไปก่อน พออย่างเอามาใช้ประโยชน์ได้ประโยชน์ของตนเองและประโยชน์ของคนอื่นถ้าตนเองยังไม่พ้นทุกข์ก็เอามาปฏิบัติรรมานั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมถ้าพ้นทุกข์แล้วก็เอามาสอนคนอื่นสอนให้คนอื่นได้รู้จักวิธีพ้นทุกข์กันดับทุกข์กันแต่ถ้าถึงเวลาตายเมื่อไหร่ก็ปล่อยทันทีไม่ต่อรองไม่ขอร้องไม่กลัวไม่เสียดาย อยากจะไปเมื่อไหร่ไปได้เลยนี่คือเรื่องของการมาวัดในวันพระวันธรรมัต ส, สวรรคมาวัดเพื่อมาศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นคำสอนที่ไม่มีคำสอนใดในโลกนี้เหมือนไม่มีคำสอนใดในโลกนี้สามารถดับความทุกข์ได้เหมือนกับความคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าต้องการพ้นทุกข์ ถ้าต้องการพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องมาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าสมัยนี้ไม่ต้องมาก็ได้ดี๋ยวนี้มีไปถึงบ้านถึงมือถือเลยเข้าไปค้นหาได้ในกูเ g l ลต้องการรู้อะไรกดเข้าไปได้เลยเขียนเข้าไปได้เลยขอให้ศึกษากันวิธีไหนก็ได้ศึกษาแล้วนำเอาไปปฏิบัติ ปฏิบัติได้ความทุกข์ต่างๆก็จะเบาไปเบาลงไปละหมดไปในที่สุดการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรติดต่อได้ที่พักเราเลยดีเก็บตัวนะ ไม่รับรู้เรื่องอะไรทั้งหมดปิดเครื่องได้ปิดไปเลย ด, เลดึงใจเข้าข้างในพุทโธพุทโธปิดตาหูจมูกนิ้วกาอใจจะได้สงบถ้าไปรับรู้แล้วมันไม่สงบเราจะเสียเวลามาเสียเวลาปล่าๆได้ฟังเทศหรือเปล่าดีเท่นี้ เอาธรรมะนะเอาวางที่สองธรรมะนี้เป็นที่พึ่งทางใจได้มีธรรมะแล้วจะไม่ทุกข์นะหูไม่ค่อยดีไม่เป็นไรไม่ได้ยินก็แล้วไปใครยิ้มไว้ก็แล้วกันใคยิ้มไว้ก็ใช้ได้นะทางบ้านมีคำถามไหมมีครับไม่มีก็ถามเลยเพราะไม่มี ต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook Live นะครับจากคุณพรเทพนะครับเราไปไหนมาไหนถึงตอกซอยถนนอะไรที่ไหนมีป้ายบอกเทียบกับการปฏิบัติของเราเช่นพระโสดาบันมีอะไรเป็นเครื่องบอกหรือไม่ครับก็พระโสดาบันก็ละสังโยชน์ได้สามข้อข้อที่หนึ่งก็คือสักกายทิฏฐิข้อที่สองก็คื อ, อ วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศีลธรรมปารมาสกา ร, รลูกคำ อ, อ า, าจารย์บางรูปท่านก็แปลว่ากา ร, รลูกคำศีลคือไม่ไม่รู้ว่าศีลนี่แหละเป็นตัวที่จะแก้ปัญหาต่างๆชอบไปแก้ปัญหาด้วยการไป บวงสวงไหว้พระจันทร์ไหว้เทวดาไหว้นู่นไหว้นี่ไม่มารักษาศีลกันถ้ารักษาศีลแล้วปัญหาต่างๆก็จะหมดไปพระโสดาบันนี้ท่านจะเห็นว่าปัญหาของเราอยู่ที่ความอยากอยากได้สิ่งที่มันเราเอาไม่ได้เราก็เลยไปทำบา พอไปทำบาปแล้วก็ต้องมารับผลบาปก็ไม่อยากจะให้เกิดผลบาปถ้าไม่ทำบาปมันก็ไม่ตงมันก็จะไม่มีผลบาปเกิดขึ้นหรือถ้าทุกข์ใจเพราะจะต้องเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปท่านก็จะเห็นด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดมีดับมีมามีไปห้ามมันไม่ได้ สมบัติเก้าของเงินทองราบยศแสนรเสนแล้ววันหนึ่งก็ต้องมีวันเสื่อมเวลามันเสื่อมก็อยากให้มันไม่เสื่อมก็เลยไปหาหมอดูบ้างไปหาคนนั้นแนะนำว่าทำไงไม่ให้มันเสื่อมหรือของเสื่อมไปแล้วก็ทำไงให้มันกลับมาแต่ถ้าเป็นพระสสดาบันท่านจะเห็นว่าทุกอย่างมีเกิดมีดับเป็นธรรมดา มีมามีไปมีเจริญมีเสื่อมเสื่อมก็เสื่อมไปไม่ได้เดือดร้อนเพราะไม่ไปยึดไปติดคำถามข้อต่อไปจากคุณวาสนานะครับสมาธิกับวิปัสสนาต่างกันอย่างไรคะสมาธิก็คือความสงบของใจวิปัสสนาก็คือความรู้ความฉลาดปัญญา คำถามข้อต่อไปจากคุณสุปสุปคุงนะครับสอบถามเรื่องการปฏิบัติสงสัยมานานแล้วหลังจากเราปฏิบัติภาวนานเสร็จแล้วจะต้องขอพรเพียงประการเดียวหรือขอหลายๆอย่างพร้อมๆกันแล้วผลจริงๆให้ทุกครั้งที่เราขอหรือไม่ อ, อขอไม่ได้อของทุกอย่างต้องเกิดจากการกระทําของเราเองอยากจะได้อะไรต้องทําขึ้นมา ที่ปฏิบัติเนี่ยวเป็นการกระทงแต่ว่ามันยังทำไม่ครบหรือทำยังไม่ถึงมันก็เลยยังไม่ได้ผลก็ต้องพยายามทำให้มากขึ้นทำให้มันครบเมื่อทำได้ครบแล้วผลมันก็จะเกิดขึ้นมาเหมือนเรียนหนังสือเรียนไปเรื่อยๆเรียนให้มันจบทุกวิชาสอบให้ผ่านทุกวิชาพอผ่านแล้วมันก็จะได้ปริญญา ถ้ายังไม่ผ่านก็ยังไม่ได้ก็ต้องเรียนต่อไปคําถามจ้าคุณเล็กนะครับขณะที่พระอาจารย์เทศแล้วลูกเดินจงกรมพิจารณาพระธรรมของพระอาจารย์ไปด้วยได้ไหมครับจิตสงบดีจะว่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วแต่ปกติทั่วไปเวลาฟังเทศก็มักจะนั่งฟังกันแต่ถ้าจะเดินฟังก็ ไม่มีอะไรถ้ามันอยู่ที่การละเทศะมั้งถ้าอยู่ตรงที่เขานั่งฟังกันเราไปเดินนี่ก็คงจะไม่เหมาะแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวเราเดินฟังของเรามีมือถือมีหูฟังเสียบก็ไปในหูแล้วเราก็เดินจงกรมไปฟังไปมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคาถามจากคุณอยู่กับปัจจุบันปกติแล้วตอนนี้รู้สึกเบื่อไปเกือบทุกอย่าง ไม่ดูหนังฟังเพลงไม่ไปหาเพื่อนรู้สึกอยากอยู่เงียบๆอย่างเดียวคะ่ะอย่างนี้ปกติไหมคะก็ดีถ้าอยู่คนเดียวได้มันดีกว่าต้องไปอยู่กับคนนั้นคนนี้พอเวลาอยากไปอยู่แล้วเขาไม่อยู่เขาไม่เราอยู่ด้วยก็จะเสียใจเห็นถ้าอยู่คนเดียวได้ดีแล้วละ่ะดีที่สุดคําถามจากคุณกุ้งโยมันทําบุญให้แม่ประจําประจําบ่อยๆ เวลาทาก็ต้องตั้งจิตมุ่งมั่นให้แม่แต่ลืมกวดน้ำให้แม่ไม่ทราบว่าแม่ของโยมจะได้รับบุญที่อุทิศไปไหมครับแม่ตายหรื อ, อยังแม่ยังอยู่นะแม่ยังไม่ตายถ้าตายแล้วก็อุทิศได้แต่ถ้ายังไม่ตายก็ยังอุทิศไม่ได้คำถามจะคุณวันเพนการนั่งสวดมนต์สมาธิที่บ้านในห้องได้ไหมครับได้นั่งที่ไหนก็ได้ทั้งนั้น นั่งในรถก็ได้นั่งในห้องน้ำก็ได้ถ้าให้สวดทั้งตลอดเวลาเลยพุทโธตลอดเวลาเลยไม่ให้ใจไปคิดถึงขนมนมเนยไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับพุทโธให้อยู่กับบทสวดมนต์เพียงแต่ว่าอย่าออกเสียงก็แล้วกันถ้าอยู่ในห้องน้ำไปสวดในห้องน้ำออกเสียงเดียวจะโดนเขาว่าเอาแต่ถ้าไม่มีคนรู้ว่าเราสวดภายในใจก็สวดไปได้ การส่วนนี้เพื่อที่จะดึงใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเมื่อใจไม่คิดมันก็จะไม่มีเรื่องวุ่นวายใจที่วุ่นวายใจเขาไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราวุ่นวายใจนั่นเองพอเราไม่ไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราวุ่นวายใจความวุ่นวายใจมันก็ไม่มีตอนเราคิดอยู่กับพุทโธพุทโธคิดอยู่กับบทสวดนมนตนี้มันจะไม่มีความวุ่นวายใจมันก็จะเย็นจะสบายมีความสุข คำถามพ่อต่อไปอของคุณวิตามินซีและคุณพัชราภารวมกันนะครับการออกบวชท่าบิดามารดาไม่อนุญาตแล้วสามารถบวชได้ไหมเจ้าคะการบวชชีเป็นการหนีปัญหาหรือเปล่าคะทำไมแม่ชอบห้ามไม่ให้บวชตลอดเวลาเลยระยะเวลาสั้นๆก็ไม่ให้บวชการบวชนี้ถ้าเป็นบวชพระนี่ต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ก่อนถึงจะบวชได้ การบวชทีหรือบวชพระนี่ไม่ได้เป็นการไปหนีปัญหาแต่เป็นการไ ป, ปรเผชิญปัญหาที่แท้จริงปัญหาที่แท้จริงก็คือกิเลสตัณหาที่ไปบวชนี่ก็เพื่อไปต่อสู้กับกิเลสตัณหาไปฆ่ากิเลสตัณหาเพราะเป็นตัวปัญหาที่แท้จริงที่โลกวุ่นวายกันทุกวันนี้วุ่นวายเพราะกิเลสตัณหาทั้งนั้นไม่ได้วุ่นวายกับเรื่องต่างๆหรอก วิธีบวชการบวชนี่ไม่ใช่เป็นการหนีปัญหาเป็นการไปแก้ปัญหาคำถามจะคุณณชายณทยานะครับอยากถามว่าเวลาวันโกนหรือวันพระจะปวดหัวมากค่ะหรือเวลาที่คิดในใจว่าจะไปทำบุญที่วัดแล้วไม่ได้ไปก็จะรู้สึกปวดเป็นทุกข์ทรมานแต่พอไปทำบุญที่วัด แล้วสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วแผ่เมตตามันหายเป็นปิดทิ้งมันเกิดจากอะไรคะก็เกิดจากความอยากอยากทำบุญแล้วไม่ได้ทำมันก็ทำให้เครียดได้งั้นอย่าไปอยากถึงเวลาทำก็ทำถ้าไม่ได้ทำก็เฉยๆไปไม่ได้ทำก็ไม่เป็นไรอย่าไปอยา ก, อยากพอไปอยากแล้วมันไม่ได้ทำแล้วมันก็จะเครียดขึ้นมาจะทุกข์ขึ้นมาได้การอยากทาความดีก็ทาให้ทุกข์ได้ อยากทำแล้วไม่ได้ทำมื่อเมื่ออยากทำแล้วไม่ได้ทำก็หยุดความอยากเสียแล้วมันก็จะหายเครียดคำถามจะคุณสิริวัอณ์อธิฐานในบาลมีสิบหมายถึงอะไรคะหมายถึงความตั้งใจตั้งเป้าชีวิตของเรานี่เราต้องตั้งเป้าว่าเราจะเดินไปทางไหนจะไปทางโลกหรือไปทางธรรมทางโลกก็จะไปทางไหนจะไป ไประดับไหนก็ระดับปวชปวสระดับอะไรมันต้อ ง, งตั้งเป้าตั้งจุดหมายปลายทางําว่าอธิษฐานนี้เป็นการตั้งจุดหมายปลายทางแล้วเราจะได้เดินไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นถ้าเราไม่ตั้งเป้าไว้เราก็จะไม่รู้ว่าเราจะไปเทไปไหนเหมือนวันนี้เราตั้งเป้าจะมาวัดนอธิษฐานก็คือแปลว่าวันนี้ตั้งใจจะมาวัดพอมีความตั้งใจแล้ว มันก็จะมีการออกเดินทางมาถ้าไม่ได้ตั้งใจจะมาวัดก็อาจจะไปที่อื่นก็ได้เพื่อนโทรมาชวนไปนู่นมานี่เขาก็ก็อาจจะไปแต่ถ้าตั้งใจจะมาวัดพอเพื่อนโทรมาชวนก็อบอกไปไม่ได้วันนี้จะมาวัดงั้นถ้าเราไม่ตั้งเป้าไว้เราจะไม่ได้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการเพราะอาจจะมีเหตุการณ์มีอะไรฉุดร่างเราไปที่อื่นได้แต่ถ้าเราตั้งเป้าแล้วก็จะไม่มี เหตุการณ์อะไรที่จะดึงเราไปได้แต่นอกจากการตั้งเป้าแล้วเราต้องมีความจริงใจต่อาการตั้งเป้าด้วยไม่ใช่ตั้งไว้เฉยๆพอถึงเวลาจะทำก็ล้มเหลวเพื่อนมาชวนให้ไปทำอย่างอื่นก็ไปแต่ถ้าเรามีความจริงใจความแน่วแน่ต่อการตั้งเป้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องทำให้ได้เราจะไม่ไปทำอย่างอื่นอันนี้ต้องมีสัจจะ นอกจากสักจจะแล้วก็ต้องมีความเพียพรพยายามที่จะทำตามที่เราตั้งใจไว้ไม่ใช่ตื่นขึ้นมาออไม่ไหวแล้วเหนื่อยตั้งใจจะมาวัดแต่เม่อนอนต่อดีกว่าวันนี้อานนี้เรียกว่าไม่มีความเพียรแล้วนอกจากความเพียรแล้วต้องมีขันติความอดทนวเวลาเดินทางมาอาจจะรถติดอาจจะมีปัญหาอุปสรรคยางแตกก็ต้องอดทน แก้ปัญหาไปแล้วก็ออกเดินทางมาต่อถึงจะมาได้ถ้าไปเจอปัญหาอุปสรรคโอ้กูไม่เอาแล้วยุ่งยากกลับบ้านดีกว่าอันนี้อยากจะทำอะไรให้สำเร็จนี้ต้องมีสี่อย่างมีความตั้งใจมีความจริงใจมีความเพียรพยายามแล้วก็มีความอดทนถ้ามีสี่อย่างนี้ทำอะไรได้หมดอย่างพระพุทธเจ้าตอน นั่งอยู่ใต้โคนต้นโพนี่ก็มีสี่อย่างนี่มีความตั้งใจตั้งสักดิ์จาะอธิษฐานว่าต่อไปนี้เราจะนั่งอยู่ตรงนี้ภาวนาไปจนกว่าเราจะตัดสร้ถ้าเรายังไม่ตัดสรุเราจะไม่รู้จากที่นี่ไปโดยเด็ดขาดถึงแม้เลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไปเราก็จะไม่ขยับจะทุกข์ขนาดไหนจะเจ็บขนาดไหนก็จะทนจะไม่ลุก จะภาวนาไปจนกว่าจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยพอมีสี่อย่างนี้แล้วรับรองได้อยากจะทำอะไรทาได้หมดสำเร็จหมดคำถามจะคุณวาสนาและสุวรรณาเหมือนกันนะครับรวมนะครับวันนี้เป็นวันสาทรลาวประเพณีห่อข้าวสาศสาดิอ๋อเขาเขียนสาทร<า> ตัดลาวประเพณีห่อข้าวน้อยที่เขาทำกันก็ทำกับพระช่วงเพลแล้วเอามาวางตามต้นไม้เพื่อให้บรรพบุรุษญาติญาติมากินนี่จริงหรือเปล่าครับไม่จริงหรอบรรพบุรุษกินข้าวไม่ได้ต้องกินบุญต้องเอาข้าวเหล่านี้ไปถวายพระหรือเอาไปแจกทานแล้วก็เอาบุญที่เราได้จากการถวายพระถวายข้าวนี้ไปอุทิศให้คนตายได้ คำถามจากคุณนุชเชลีนะครับใส่บาตรเชา้าทุกวันทุกวันแล้วไม่ได้กรวดน้ําให้คนที่ร่วงลับไปแล้วเขาจะได้ส่วนบุญใหม่ครับถ้าไม่ได้อุทิศการอุทิศนี้ไม่ต้องใช้น้ําก็ได้แต่ต้องอุทิศเราต้องจิตเราต้องอทิเราต้องบอกในใจเราว่าขออุทิศบุญส่วนนี้ที่ได้ในวันนี้ให้กับคนนั้นคนนี้ที่ร่วงลับไปแล้วถ้าไม่อุทิศเขาก็ไม่รับไม่ได้ คำถามจากคุณลิตเติลแคนดี้นะครับมีข้อสงสัยว่าการนั่งสมาธิต้องนั่งถึงขั้นไหนเราถึงจะสามารถจเจริญวิปัสสนาได้คะ อ, อ๋อขั้นสมาธิก็ต้องถึงขั้นที่ว่าเราสงบอย่างเต็มที่สงบอย่างเต็มที่คือั่างกายหายไปหมด mm hmm. เหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวสั mm hmm. กแต่ว่ารู้มีอุเบกขามีความสุขอย่างมาก mm hmm. อันนี้ เป็นสมาธิที่จะให้พลังต่อการเจริญวิปัสสนาต่อการต่อสู้กับข้าศึกศัตรูคือกิเลสตัณหาการที่เราจเจริญวิปัสสนานี้เพื่อที่จะไปฆ่ากิเลสไงถ้าเราเป็นทหารไม่ได้กินข้าวไปออกรบนี่เดี๋ยวก็โดนเขาฆ่าตายเพราะไม่มีกำลัง <Yes. S 1> สมาธินี้เป็นเหมือนอาหารของของใจใจที่จะออกไปต่อสู้กับกิเลสตัณหานี้ ต้องกินอาหารก่อนกินข้าวให้อิ่มก่อนสมาธินี้ทำให้ใจอิ่มทำให้ใจสุขทำให้ใจมีพลังแล้วพอไปเจอกิเลสตัณหาก็สู้กับมันได้หยุดมันได้หยุดกิเลสได้หยุดความโลภความโกรธความหลงได้แต่ถ้าไม่มีสมาธิพอเห็นกาแฟก็ไปเลยกาแฟพอกิเล็บดื่งกาแฟก็ไปเลยแทนที่จะฆ่ากิเลสก็ไปรับใช้กิเลส เนี่ยพราะไม่มีกําลังแต่ถ้ามีสมาธิใจอิ่มแล้วก็ไม่หิวไวไม่กินก็ได้กาแฟอิ่มใจแล้วใจมีความสุขแล้วความสุขที่ได้จากความสงบนี้มันก็่าเหนืกว่าความสุขที่ได้จากการดื่มกาแฟมันก็เลิกดื่มกาแฟได้อย่างนั้นถ้าอยากจะรู้ว่าได้สมาธิขนาดไหนก็ทดลองเวลาอยากอะไรแล้วดูหยุดมันไดหรือเปล่าถ้าหยุดมันไม่ได้ก็แสดงว่าสมาธิยังมีกําลังไม่พอ คำถามจ้คุณอรุณพรนะครับอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้าหลังจากที่เราตายไปแล้วได้รับกรรมเกิดไปเป็นสัตว์ในขณะนั้นจิตเราจะจดจำหรือรับรู้ได้ไหมว่าขณะนี้กำลังชดใช้กรรมหรือถ้าหลังจากเราตายแล้วไปเกิดในภพที่สูงกว่ามนุษย์เราจะจดจำได้ไหมว่าเรากำลังสเสวยบุญที่ได้ทามาตอนนี้จาได้เปล่าตอนนี้กาลังใช้กรรมอยู่จาได้เปล่า ถ้าไม่ได้แล้วมันจะไปจําได้ที่ไหนนะอถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาบอกก็ไม่รู้กันว่ากําลังใช้กรรมกันอยู่ยคําถามข้อต่อไปจากคุณนักการนะครับเคยเดินจงกรมแล้วมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีขาทั้งสองข้างก็ให้รู้เฉยๆว่ามันเป็นความรู้สึกเฉยๆความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะกําลังเดินอยู่มันจะไม่มีขาเดินได้ยังไงอย่าไปหลงกับความคิด ความรู้สึกนั้นให้รู้สึกแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกความจริงก็อีกอย่างหนึง่งไม่เ่นเดียวไปตัดแข้งตัดเขาต่อไปนี้ฉันไม่ต้องมีขาฉันก็เดินได้คำถามจากทาง YouTube นะครับจากคุณแนนนะครับอขอพระอาจารย์ช่วยเกื้อายกตัวอย่างการพิจารณาอนิจจังทุกข อ, อนัตตาครับร่างกายเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยง อ น, นิจจังหรือนิจจังเทีย่ยงก็คือต้องอยู่ไปตลอดไม่มีวันตายไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บอันนิจจังก็คือไม่เทีย่ยงมีการเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆตอนต้นก็เปลี่นเปลี่ยนเป ล, น, เปลนด้วยการเจริญออกมาจากท้องแม่กระตว น, นิดเดียวแล้วก็เจริญเติบโตนี้นก็ไม่เทีย่ยงเหมือนกันถ้าเทีย่ยงก็ต้องเป็นทาโลกตลอดเวลาออกมาจากท้องแม่ยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนตุ๊กตาที่เราซื้อมานี้เที่ยงไหม ลูกตานี่มันเที่ยงนีมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่มันก็แก่แต่มันช้าหน่อยมันมันมันพังมันจะต้องพังอยู่ดีแต่ช้าหน่อยคือทุกอย oh ่างมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปในทางที่ดีก็ได้เปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดีก็ได้ในทางที่ดีก็คือเจริญเติบโตพอพอออกมานี่ยก็เจริญเติบโตจากเด็กก็เป็นเด็กใหญ่เด็กโต แล้วก็เป็นผู้ใหญ่ต่อไปแล้วพอมันโตเต็มที่แล้วทีนี้มันจะมันจะเปลี่ยนไปในทางไม่ดีแล้วเลยมันจะเริ่มแก่แล้วก็จะแก่เท่าแรกเทียรน้อยแล้วก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เดี๋ยวมันก็ตายไปนี่ก็เรียกว่าอนิจจังไม่เที่ยงก็ถามสามอันหรือสองันหรืออันเดียวสมอันครับอนิจจังทุกขังอนัตตาครับ อ, อันนี้จังอนัตตาก็คือมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราตัวเราคือตัวรู้ตัวคิดเนี่ยตัวร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นตัวรับใช้ตัวรู้ตัวคิดเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องกลับคืนสู่เจ้าของเดิมของมันเจ้าของเดิมของร่างกายก็คือดินน้ำลมไฟพอ ร, ร่างกายนี้ตายไปมันก็กลับคืนดินน้ำลมไฟก็แยกออกจากร่างกายไปน้านก็ไหลออกมาลมก็ไหลออกมาอ่า ความร้อนก็ไหลออกมาเหลือแต่ดินเรียกว่าเป็นดินน้ําลมไฟไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นอนัตตาจะเรียกว่าเป็นธรรมชาติก็ได้เป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศก็เป็นดินเนี่ยดินมันเป็นธรรมชาติหรือเปล่าลมมันเป็นธรรมชาติหรือเปล่าไฟมันเป็นธรรมชาติหรือเปล่ามันไม่มีมันไม่มีตัวตนเราไปหลงไปไปยึดไปไปเรียกมันว่าเป็นตัวเราของเราเองคือตัวรู้ตัวคิดเนี่ยไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราขึ้นมา แล้วก็เลยไปยึดติดพออะไรเป็นตัวเราของเราก็อยากจะให้มันเที่ยงอยากจะให้มันเป็นของเราพอมันไม่เที่ยงมันไม่เป็นของเราก็ทุกข์เนี่ทุกข์ขังแปลว่าทุกข์เพราะว่าเราไปยึดไปติดนีเพราะเราไปหลงคิดว่าเป็นของเราเลยไปอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันเป็นของเราไปตลอดแต่สําหรับคนที่รู้ว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ได้เป็นของเราก็จะไม่ยึดไม่ติดก็จะไม่มีความอยากให้มันไม่เที่ยง ไม่มีความอยากให้มันเป็นของเราไม่มีความอยากให้มันเที่ยงไม่มีความอยากให้มันเป็นของเราพอไม่มีความอยากเหล่านี้ก็ไม่มีทุกเนี่ยพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ไม่มีทุกเนี่ยพวกเรามีทุกต่างกันตรงที่ว่าท่านรู้ว่ามันไม่ใช่ของเราท่านรู้ว่ามันไม่เที่ยงแต่พวกเราไม่รู้ว่ามันไม่เที่ยงรู้ว่ามันไม่ได้เป็นของเราเราก็เลยไปอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันเป็นของเราคาถามข้อต่อไปจากคุณวันเพ็นะครับ ไปทำบุญไหว้พระให้คุณพ่อคุณแม่ทุกวันจันทร์เวลาทําสังฆทานดิฉันจะซื้อน้ําแดงถวายเวลาท่านฉันน้ํามีความรู้สึกว่ามีความสุขมากเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่จะได้บุญนี้ด้วยไหมคะ อ, อ๋อไม่ได้หรอกถ้าเป็นเงินของเราเป็นความดํำริของเราคุณพ่อคุณแม่จะได้บุญต่อเมื่อคุณพ่อคุณแม่ฝากเงินมาแล้วบอกว่าเอาไปทําบุญให้หน่อยอย่างนี้ถึงจะได้บุญบุญนี้ต้องเป็นเงินของเราเองและต้องเป็นความดํำริของเรา ถ้าเห็นคุณพ่อกัณแม่มีความสุขกับการดื่มน้ำแดงก็ซื้อน้ำแดงไปให้ท่านดื่มสิท่านจะได้มีความสุขคำถามจ้าคุณนิพพานนะครับแม่บ่นไว้อยากให้บวชบน่นไม่ใช่บวนแม่บน่นเอาบ่นนะแม่บน่นแม่บ่นไว้ให้บวชชีตอนนี้แม่เสียแล้วควรบวชอีกไหมคะก็แล้วแต่เราเราเป็นคนบวนเนืเข้าแม่เป็นคนบ่น มแม่ครับแม่บน่นแม่ไปบ่นให้คนอื่นบวชได้ยังไงนะรเรารเราเราับปากแม่หรือเปล่าว่าถ้าถ้าไปรับปากแม่ว่าจะบวชให้แม่ตามที่แม่บ่นไว้ก็ต้องไปบวชจะได้ไม่เสียสัตว์จะคำถามจะคุณปักชุมชัยนะครับภูมิธรรมพระโสดาบันระหว่าง โซดาปฏิมักกับโสดาปฏิผลครับก็เหมือนกับเวลาเรียนปริญญาตรีกับรับปริญญาตรีเวลาเรียนก็เรียกมักเวลารับปริญญาตรีก็เรียกว่าผลต้องเรียนก่อนเรียนสี่ปีถึงจะได้ปริญญาต้องต้องเจริญศีลสมาธิปัญญาเพื่อละสักกายทิฏฐิสามตัวทําข้อสอบสามข้อให้ได้ละสักกายทิฏฐิละ สิรพัตตาปรมะละวิจิกิจฉาให้ได้ผู้ที่ถามว่ามีถ่ายทอดสดวันไหนบ้างมีทุกวันเวลา2 2โมงนะครับตอนนี้คำถามหมดครับพระอาจารย์อะไรอารมณ์ดีใจกับเสียใจที่มันเท่ากันคือมันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปเท่ากันตรงนี้ใช่ไหมครับเท่ากันตรงไหนอ่ะมันไม่เท่าเท่ากันก็คือมันหายไปเหมือนกันทไมต้องเท่ากันด้วย เหมือนกันเไยเหมือนกันอ่ามันไม่เที่ยงเหมือนกันคำว่าเท่ากันมันมคำว่ามันมันหนักมันเบาหรืออะไรมันหนักมันเบามันดีใจมันก็ดีใจไปเลยมันเสียใจมันก็วี่ขึ้นมาคือใจมันไม่อยู่เฉยเยก็มันไม่เที่ยงแหะมันเกิดดับมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันถ้าไปยึดติดอารมณ์เวลาอารมณ์ดีหายไปก็ทุกข์เพราะอยากจะให้อยู่ ถ้าไปยึดติดอารมณ์ไม่ดีอยากให้อารมณ์ไม่ดีหายไปเวลามันเกิดก็ทุกข์ถ้าไม่ยึดติดกับอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีเวลามันมาก็เฉยเวลามันไปก็เฉยให้ทําใจให้เฉยให้ทําใจเป็นอุเบกขาแล้วมันก็จะไม่ยินดียินร้ายกับอารมณ์ต่างๆถ้ายินดียินร้ายก็แสดงว่ามีมันก็จะต้องทุกข์ แล้วกริยาสมมติว่ามีคนเคยอ่านเจอบอกว่าอย่างผ้าละหันมีแค่กริยาแต่ไม่มีอารมณ์แต่ถ้าปู่ตุชนก็คืออารมณ์ทําให้เกิดกริยาอาการอันนั้นทีนี้ถ้าคนข้างนอกดูจะแยกยังไงคะระหว่าง อ, อ๋อไม่ต้องไปสนใจหเราไม่ได้เป็นผ้าละหันไม่ต้องไปสนใจสนใ จ, นใจตัวเราก็พอสนใจตัวเราว่าเราไปยึดติดกับอารมณ์ต่างๆหรือเปล่าปล่อยวางมันได้หรือเปล่า เรื่องของคนอื่นไม่ต้องไปสนใจไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเราแล้วก็มีข้อในหนูอ่านเจอในหนังสือนวโกงว่าที่บอกว่าสินแปดก็คือไม่ไม่ไปนวดกับหมอนวดด้วยซ้ำเพราะมันเป็นความสุขจากการสัมผัส อ, อ๋อไม่หรอกแล้วแต่ว่านวดเพื่ออะไร<ฆ>นวดเพื่อรักษามันมันรักษาได้เห่อเห็นพาก็รักษาไม่ได้สิเวลาไม่สบาย ปวดเมื่อยตรงไหนเขาต้องการมีการรักษาด้วยการบีบนวดก็บีบนวดได้เองแต่อย่าให้ผู้หญิงบีบให้ทั่นเองเป็นพระเข้อให้ให้พระด้วยกันบีบให้บีบนวดให้ก็พระถวายจับเส้นให้ครูบาอาจารย์กันเป็นปนีเน่เป็นปกติไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องเรื่องกามอารมณ์อะไรต่างเพราะไม่ได้ทําด้วยกามอารมณ์เหมือนกินข้าวเนี่ยกินได้สองแบบกินด้วยกามอารมณ์ก็ได้กินด้วยความจําเป็นก็ได้ กินแบบกินยาก็ได้กินแบบเพื่อให้เกิดความสุขทางใจก็ได้ถึงไม่สอนให้กินแบบตามความอยากให้กินตามความจำเป็นวิธีที่จะดัดมันก็คือเอามันมาคุกไปเหมือนข้าวหมาเลยมันจะได้ไม่อยากมันไม่ได้กินด้วยความอยากมันกินด้วยความจำเป็นแล้วอย่างถ้าเกิดว่าเราไปยึดความสุขที่อยู่นอกเหนือจากความสุข นอกใจมันก็คือกิเลสปัญหาใช่ไหมคะความสุขทุกแค่นิดเนี่ยไปยึดมันไม่ได้หรอกว่ามันไม่เที่ยงเวลามีก็รู้ว่ามีเวลาหมดก็รู้ว่ามันหมดเก็ให้มันกลับมาที่อุเบกขาอย่างเดียวามมาอ่าเออเทวดากับพรหมเนี่ยบรรลุอรหันต์ได้ไหมครได้ ก็เป็นจิตดวงเหมือนกับมันจิตของมนุษย์นี่แหละเพียงแต่ว่าจะยากง่ายตรงที่ว่าเทวดานี้อาจจะไม่มีครูบาอาจารย์สั่งสอนหรือว่าอยู่ในสภาพที่เหมือนคนที่ไปท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยก็ยังไม่ค่อยสนใจที่จะไปปฏิบัติธรรมกันนั้นก็จะยากกว่ า, วาคนทีอ่อยู่ใกล้วัดใกล้วามีครูบาอาจารย์คอยสั่งคอยสอน เทวดานี้เป็นเหมือนพวกไปท่องเที่ยวต่างประเทศกันเขาก็จะไปสนใจช้อปปิ้งกันมากกว่าไปซื้อข้าวซื้อของไปกินนูน่นกินนี่กันนอกจากพวกที่สนใจธรรมะจริงๆก็อาจจะแวะไปตามวัดต่างๆเวลาไปถึงเมืองนั้นเมืองนี้ได้ข่าวว่ามีอาจารย์ดีอยู่ที่เมืองนี้ก็จะแวะไปกราบไปฟังเทศฟังธรรมอย่างนี้ก็อาจจะบรรลุธรรมได้ถ้าไปได้ยินได้ฟังธรรมแต่จะถ้าให้บรรลุด้วยตนเองนี้คงจะเป็นไปไม่ได้ ถ้าบรรลุได้ก็คงบรรลุไปนานแล้วองั้งอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ไปโปรดมารดาที่เป็นเทวดาต้องมีพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมให้ฟังถึงจะฟังถึงจะได้รู้ว่าบรรลุทําอย่างไรพอฟังแล้วก็บรรลุทำเป็นโซดาบันขึ้นมาได้ครัานพระอาจารย์ครับขอถามคำถามหนึ่งครับเกี่ยวกับการตักบาตรครับคือว่าทํำไมเวลาตักบาตรต้องถอดรองเท้าครับผมอ๋อสมัยโบราณนี่ เขามีการถือว่าสูงต่างนคนที่ใส่รองเท้านี่ยืนจะสูงกว่าคนที่ไม่ได้ใส่รองเท้านี่พระนี่มีธรรมเนียมเป็นคนยากจนไม่ไม่นิยมให้พระมีสมบัติมากแม้แต่รองเท้าก็ไม่ให้ใส่พระเลยไม่ไม่ได้ใส่รองเท้าเวลาบิณฑบาตพระก็ไปเท้าเปล่านี่ญาติโยมที่เป็นคนมีฐานะก็มีกันซื้อรองเท้าใส่ ก็ถ้าไม่อยากจะถือว่าตนเองสูงกว่าพระก็ต้องถอดรองเท้าออถอดแล้วก็อย่าไปยืนบนรองเท้านะบางคนถอดแล้วก็ไปยืนบนรองเท้าอย่างนี้ก็ยังไม่ได้ถอดเลยเอาจริงไถอดต้องยืนถอดถอดแล้วต้องยืนบนดินหลวงตาท่านเคยเคยว่าหรือสอนญาติโยมที่ใส่บาตรใส่บาตแล้วใส่รองเท้า หลวงตาท่านบอกว่าเาท้าเปื้อนมันดีกว่าใจเปื้อนนะเาท้าเปื้อนมันนั่งง่ายกว่าใจเปื้อนมันนั่งยากกว่าคือการถือเนื้อถือตัวนี้ท่านถือว่าเป็นกิเลสท่านคารถ้าที่ใส่รองท้าบินทบานไม่ได้ไ ม, ไม่ได้หรอแล้วสมัยนี้มันไม่เหมือนสมัยพระพุทธเจ้าก็เนื่องมันมันไม่ดีที่สมัยเข้าใจไห อ๋อไม่เป็นไรหรอกสมัยก่อนก็เชื่อโลกก็เยอะเหมือนสมัยนี้แหละไม่เกี่ยวกันพระก็ยังเป็นขอทานอยู่เหมือนเดิมพระไม่ได้เป็นขุนนางเหมือนสมัยพระเหมือนพระบางรูปในสมัยนี้อยู่แบบขุนนางกันบิณฑบาตเดี๋ยวนี้ไม่บิณฑ์จะได้ซ้ําไปต้องมีการจัดส้ำนกซ้ำรับไปส่งพระเคสนถึงกุเิเลย อันนี้ก็เป็นพระยุคใหม่แพระยุคเก่าเขาก็ยังบิณฑบาดกันอยู่บ่น ด, ด้ยังสองข้อสามข้อได้ครับจะกคุณปาโมทนะครับการฝึกให้มีอุเบกขามากๆต้องฝึกอย่างไรบ้างครับก็ต้องมีสติควบคุมความคิดให้ใจยหยุดคิดให้ได้ถ้าใยยจหยุดคิดใจก็จะนิ่งแล้วก็จะเป็นอุเบกขาขึ้นมา คำถามจาคุณกุงจินนะครับผมพิจารณาร่างกายโดยนำนิมิตการเห็นเลือดเนื้อและอวัยวะภายในเช่นกล้ามเนื้อต่างๆที่เปื้อนอาบไปด้วยเลือดเนื้อที่หยาบเยิ้มสกปรกไม่มีสิ่งใดสวยงามแม้แต่เวลาที่ร่วมหลับนอนกับภรรยาจนฉุกคิดได้ว่าแท้จริงแล้วหนังที่หุ้มหอร่างกายจึงทาใจให้คิดปุงแต่งว่าสวยงาม ข้อ1ผมพิจารณาถูกหรือไม่ครับจะถูกหรือไม่ถูกก็อยู่ที่ตอนไปนอนกับภรรยาถ้ายังอยากนอนอยู่ก็ไม่ถูกถ้าไม่อยากนอนแล้วก็ถูกข้อ2ขอพระอาจารย์เมตตานแนะนำการพิจารณาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปครับก็เนี่ยพิจารณาจนทั้งไม่อยากจะนอนกับภรรยาคำถามข้อต่อไปนะครับจากคุณชีวิตนี้ยังอยู่นะครับ ผมชอบทำบุญหล่อพระพุทธรูปเป็นปากจำอานิสงส์นี้จะพ้นนรกไหมผมถือสี่ห้าอยู่เป็นนิตรจะได้บุญขั้นไหนครับออการจะพ้นนรกนี้ต้องไม่ทำบาปคือต้องรักษาสี่ห้าข้อส่วนการทำบุญหรือไม่ทำนี้ไม่ได้ทำให้พ้นนรกทำบุญก็ไม่พ้นนรกถ้าไม่ได้รักษาศี่ห้าการทำบุญนี้เป็นการสะสมทรัพ์ไว้สำหรับพบหน้าชาติหน้า เช่เกิดถ้าเรากลับมาเกิดใหม่เราก็จะได้มีทรัพย์ที่เราทำบุญในชาตินี้รอเราอยู่แล้วมีดอกเบีย้ยให้ด้วยเหมือนกับเราเอาเงินไปฝากธนาคารพอถึงเวลาเราไปเบิกก็จะมีดอกเบีย้ยแถมมาด้วยงงเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราทำในชาตินี้ถ้าชาติหน้าเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะได้คืนบวกบวกดอกเบีย้ยด้วยและถ้าเรารักษาศีลได้ด้วย เวลาตายไปเราก็ไม่ต้องไปอบายแต่เราก็จะได้ไปรับนางวันไปท่องเที่ยวในสวรรค์ก่อนการจะไปสวรรค์ได้นี่ต้องมีสองส่วนต้องรักษาสี่ห้าแล้วก็ต้องทำบุญด้วยถึงจะไปสวรรค์ได้ถ้าทำบุญอย่างเดียวไม่รักษาสี่ห้าไปไม่ได้ต้องไปอบายก่อนถ้าไม่รักษาสีลห้าบุญที่ทำไว้ก็ยังไม่มีผลมากนะ นอกจากว่าถ้าไปเกิดเป็นเดรัจฉานก็อาจจะไปเป็นเกิดเป็นหมาที่น่ารักคนก็เห็นก็ไปเลี้ยงดูนี่อาจจะเป็นอนิสงส์จากการที่เราทำบุญไว้แต่เราไม่ได้ทเราไม่ได้รักษาศีลตายไปก็เลยต้องไปเกิดเป็นสุนัขถ้าเรารักษาศีลแต่เราไม่ทำบุญเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เวลาตายไปไม่ได้ไปอบายไม่ได้ไปสวรรค์ กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นมนุษย์เท่าเดิมเงินทองที่เคยมีอยู่ก็มีเท่าเดิมไม่มีมากไปกว่าเดิมเพราะว่าไม่ได้ทาเอาไว้ไม่ได้เก็บไม่ได้ฝากในธนาคารไว้คําถามข้อสุดท้ายนะครับจากคุณนงเยานะครับหากเราปฏิบัติดีเลิกสุราของมึนเมาอบายามุกทุกชนิดรักษาสีบ้างวันพระก็อยากปฏิบัติศีแปดสามีไม่พอใจด่าเราเพราะเขาไม่เข้าใจในศาสนา นำมาซึ่งการหย่าร้างเขาหาว่าเราไม่ดูแลเขาซึ่งในความเป็นจริงหน้าที่เราไม่เคยขาดตกบกพ่องอาจทำดีมากกว่าเดิมเราจะบาปไหมคะถ้าเขาหย่าเราเพราะสาเหตุนี้ อ, อไม่บาปหราดีเสียงจะได้หมดเวรหมดกรรมกันหมดครับท่านยหมดแล้วใช่ไหอก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา